นะเช่นถ้าต้นไม้ของเราที่เราทนเหาะชอบมากอ น, นะมันมันเศร้ามองไปหรือมันเหี่ยวมันยังได้ย่างหนึ่งไม่มีคนรดน้ำเนี่ยเราไปเห็นแล้วไปยังไงใจเราก็เศร้าหมองเราโทษต้นไม้หรือว่าโทษตาเราที่ไปเห็นหรือโทษใจที่ไปเศร้ามองเนี่ยโทษี้มไ้ยคุณนภาสาธุย<า> <laughs> นึกจำโมทนาตอน่อนเดือดร้อนคนสวนอีก <laughs> เดืร้อนคนตัวเน่ยนะนึกว่าเดือดร้อนแหม่ตานี่ไม่ดีเลยนะถ้าไม่มีตาเนี่ยจะต้องไม่มาเห็นให้เสียใจแบบนี้หรอกนี่ถ้าไม่มีใจเนี่ยต้องไม่เสียใจแบบนี้หรอกถ้าไม่มีใจจะไม่เสียใจแบบนี้เลยเอะนะถ้าเจริญอย่างงี้บ้างก็อนุมโมทนาด้วยนะก็ คือไอ้เราก็บอกว่าไอ้สิ่งเรานั้นมันโทษมากอะนะจริงๆอ่ะเรารักตาเรามากกว่าเยอะน่ะน่าจะคิดบัางว่าถ้าไม่เห็นนะเราจะเสียใจแบบนี้ไหมถ้าไม่มีตาไม่มีสีอันนั้นไม่มีจักขุูวิญญาณไม่มีภาษาเวทนานะความเสียใจอันนี้จะมีไหมถ้าไม่มีหูไม่มีเสียงอันนั้นไม่มีโสตะวิญญาณไม่มีภาษาเวทนาเราจะเสียใจไหมถ้าไม่มีหูนะเราจะต้องฟังข่าวร้ายในโลกนี้ไหม ถ้าไม่มีจมูกเราจะได้รับกลิ่นที่มันมันที่เราไม่น่าต้องการในโลกนี้ไหมถ้าหาว่าไม่มีลิ้นสัอย่างเดียวเนี่ยนะไ อ, ไอเรียกว่าเตรียมเครื่องบริโภคเพื่อกินทั้งหมดนี่จะต้องการไหมถ้าไม่มีกายอย่างเดียวนะเครื่องแหมอุปธรรมร่างกายทั้งหลายแหละนี่จะต้องการไหมถ้าไม่มีใจอย่างเดียวเนี่ยนะมันปัญหาที่มันทุกข์ร้อนทั้งหมดในโลกนี่จะต้องรับรู้ไหม ก็ไม่ต้องรับรู้แล้วนะพันไอตัวที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกจริงๆก็นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอนะตัวโศกจริงๆเนี่ยนะนางโศกก็อยู่ที่นั่นแหละที่ตานี่ยแหละถ้าไม่มีตา ก, ก็ไม่โศกรอกถ้าไม่มีหูก็ไม่โศกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าโศกแต่เราก็ไปโทษแต่ข้างนอกไละส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ว่า ในเนื่องจากฉันธราคานี่แหละนะสิ่งทั้งสิ่งทั้งปวงมีความเศร้ามองเป็นธรรมดานะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกนั่นแหละตัวที่เศร้าหมองเป็นธรรมดานะกนะ็ถ้าถามว่าเศร้ามองกับวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยนะนั่งยิ้มกับนั่งตึงิดตึงอิดเนี่ยไหนมากกว่ากันคุณอารียิ้มแย้ ม, แ, ยมแจม่มใสตลอดนะเลยไหมอ๋อเป็นพักๆแล้วแล้วแต่ อิทธารมหรืออนิทธารมเนี่ยก็เศร้ามองด้วยสังกิเลศน่นก็หยาบๆยาบก่อนก็เอาเวทนาเป็นเครื่องวัดดูก่อนนันเองจริงจริงก็รวมทั้งหมดนี่นแต่ว่าตัวที่อายตนะภายนอกมันจะไม่มีผลเลยถ้าไม่มีอายตนะภายใน เห็น ไ, ไหมอย่างเช่นถ้าไม่มีตาเนี่ยนะสีทั้งหลายในโลกมันจะปรากฏได้ยังไงถ้าไม่มีหูเนี่ยอิจตนะภายนอกมันจะมันจะรับรู้ได้ยังไงแต่นี้เราก็พูดถึงเน้นอิจตนะภายในยก่อนนะนะคือถ้าหากว่าเห็นโทษของอิจตนะภายในายมากมันก็น้อมที่จะไปเห็นโทษอิจตนะภายนอกด้วยแล้วก็น้อมไปที่จะเห็นโทษวิญญาณทั้งหด้วยแล้วก็น้อมที่จะไปเห็นโทษของผัสสะและ เวทนาทั้งหมดด้วยเนี่ยนะพราะเท่าที่ฟังดูแล้วอย่างคุณนภาว่านี่ย น, นะ น, น, น, นั่นนะคนสวนนู่นน่ะผิดนั่นนะจริงจริงแล้วธรรมะภายในเนี่ยนะสมมติว่าตาสีจากคูวิญญาณภาษาเวทนานะคนสวนมีสีมีรับเป็นเป็นเป็ น, ปนอา ร, รมณปัจจัยคือสีอันเดียวที่เหลือเป็นของในตัวหมดเลยจากขูจากคูกควิญญาณภาษะเวทนาเนี่ยภายในหมดเลยนะแต่เราไป มันเหมือนกับแบบบุคคลเขาบอกว่าชี้หน้าด่าคนอื่นเนี่ยมันชี้มาหาตัวเองกี่นิ้วแล้วอ่ะมัน ก, ก็ลักษณะนั้นแหละเพราะว่าภายในมันมีมากกว่าเนี่ยนะชี้ชี้อย่างนี้เลยนะมไมก็มม ก, ก็ขอมาเข้าใจแล้ว นี่นะถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่ได้กินยาหวานๆแบบนี้หนังใช่ไหมนี่ดีนะที่เรามีแผลจึงได้ใช้พลาสะเตอร์งามๆอนะันนั้นคพูดอันนี้แบบแปลว่าแบบนั้นนั่นแหละแต่บริหารแผลเดือดร้อนแฉบบแย่เนี่ย น, นไม่คิด น, นะเคยมันเหมือนกับว่าเออเนี่ยนะดีนะถ้าเราไม่สกรปรกเราก็ไม่ต้องอาบน้ําเหมือนกันนี่ดีนะที่เราไปเตือนมาเราเลยต้องอาบน้ําเหมือนกัน พูะถึงแต่แล้วมันมีอะไรประหลาดประหลาดเขาบอกว่าคนจีนบางคนเนี่ยชอบกินสะเก็ดแหลสะเก็บสะเก็ดแผลก็มากินปิดในรสชาสเก็ดแผอาารนหนังสแปกัคุณไม่ยกมือเลยผิดกติกาละอันหลังน้องยกมือก่อนนี่ไง ขันตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ตัวที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองต่อไปอีกว่าด้กยความพิสูจนทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดานะขยะขยะขยะอันเดียวกันนั่นแหละสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดากันนะใครนะอย่าทาให้ไม่ให้เสื่อมไอ้ไม่ให้สิ้นได้ม้างนะ ให้มันคงไว้ตามเดิมหมดเลยนะมีใครทําได้อยู่แล้วดูการพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่วยะวยะเอาบรรยากาศใส่เข้ามาก็เรียกว่าวัยนะคนนี้วัยเท่าไร่ก็แปลว่าเสื่อมไปเท่าไหรแล้วนะก็ไม่น่าถามอายุคุณมิลาวันเขาไม่บอกอยู่แล้วว่าวัยเท่าใดแล้วเนี่ยนะถ้าเขากลัวว่าจะรู้ว่าเสื่อมไปขนาดไหนแล้วเนี่ยนะถ้าวัยยะแปลว่าเสื่อมนะนะเพราะ การเกิดมาแล้วนะวัยหนึ่งขวบวัยสองขวบวัยสามขวบวัยแปลว่าเสื่อมมาจากวยะมันก็เสื่อมไปตลอดอนะจ้ามินิตปีนี้วัยเท่าไหร่แล้วก็เสื่อมไปเท่านั้นแล้วะไม่ต้องคิดว่ามันจะเจริญกว่านนี่นะเจริญวัยอาจจะใช่นะถ้าเจริญวัยแป ล, ปลว่าโอ้โหความเสื่อมมากเหลือเกินนี้เลยั้นวยะนี้แปลว่าสิ่งที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดานะตัวเสื่อม ตัวไว้อะนะเป็นเครื่องวัดก็เนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกนั่นแหละส่วนสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็คือตัวสมูทัยอ่ะนะเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเป็นสมูทัยด้วยนีในขณะเดียวกันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยมันก็อาศัยอย่างอื่นเป็นเหตุทำให้มันเกิดด้วยในขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวก่อให ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปเนี่ยเกิดด้วยถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะมีผลต่อการเกิดในพบใหม่ต่อไปไหมก็มีผลเพราะฉะนั้นจะเรียกว่ามันคือตัวสมูทัยก็ได้มันนี่แหละคือตัวที่ทําจะให้เกิดต่อไปอีกเพราะเวลาทํากรรมเอาอะไรไปทําอ่ะก็เอาพวกนี้แหละไปทำเนี่ยเพื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นอันต่อไปเพราะนั่นพวกนี้เป็นสมูทัยเหมือนกัน เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือเป็นตัวที่นําเกิดอีกเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันผัวพันมากเนี่ยนะมันปริโพทัตโถสังโยคัตโถเนี่ยนะเป็นทั้งปริโพดเป็นทั้งผูกพันผัวพันก็ขนาดได้ยินได้ฟังก็ไม่ใช่ว่าจะละมันได้ง่ายนยส่วนอีกศาสตร์หนึ่งก็คือ นิโรธถ้ามังอ่ะนะเป็นสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็สุดท้ายก็คือนิโรธดูความพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเนี่ยมีความดับไปเป็นธรรมดาดูความพิสูจนทั้งหลายก็สิ่งทั้งปวงที่มีความดับไปเป็นธรรมดาคืออะไรเล่าดูความพิสูจทั้งหลายจากโสโรคจากโสวิยญาณจากขู่สัมผัสมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความดับเป็นธรรมดาะนะทวานหู ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เหมือนกันนะใจมโน น, นะใจก็คือมโนธรรมรมมโนวิย ญ, ญาณภาษะเวทนาเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่มีความดับเป็นธรรมดาแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความดับเป็นธรรมดาอันนี้อันนี้ก็คือทั้งสิบสูตรเลยนะก็เท่ากับบอกถึงอนุปัสสนานะสูตรแรกก็เกิดใช่ไหมชาติ สองก็ชราสามพยาธิสี่มรณะหโสกห 6. ปริเทวะเจด็ดขยะเนี่ยนะขยะนั่นแหละปดวยะเกสมุทยะสิบนิโรธาเนี่ยนะก็คือบอกถึงอนุปัสนาทั้งหลายนั่นเองว่าถ้าหากว่าเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายเหล่านี้ในอายตนะ น, นะในปิยรูปสาตรูปในสามสิบหมวดเหล่านี้ น, นะ ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน้ายย่อมคลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเหมือนกันนะนะถ้าถ้าเจริญตามนี้นะถ้าอย่างไอไอโต่สี่สิบเนี่ยเป็นการประมวลมาแล้วจริงๆทุกโตมันบรรลุได้หมดนะในสี่สิบโตนั่นนะเนี่ยเช่นอันนี้จะโตทุกขโตโรขโตนตัตโตสารโตเป็นตน่ะทุกโตนั้นอนะ่ะบรรลุหมดอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ของเรามันเป็นลักษณะประเภทที่เรียกว่าจะเป็นได้บ้างก็คือในยะกับปะทะประมานะ เพราะฉะนั้นไอ้ทุกอย่างที่เขาบรรลุนะฉันจะต้องมาเรียนหมดเนี่ยนะนะเพราะว่าอินทรีย์เนี่ยอ่อนมากนะเว้นะจากขุนซีเป็นต้นนะอินทรีย์ที่แก่ก็มีนะคือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจนี่แก่แต่ว่าสัตว์ทินทรีย์เป็นต้นอ่อนเนี่ยนะก็คือแก่อ่อนคนละอย่างกันเนี่ยนะ ก็มาจากสมุทัยนี่ น, นะสมุทาเจนพนคือคือตัวเาเป็นเหตุให้เกิดหรือว่าตัวเามีเหตุให้เกิดมีเหตุที่ตัว ม, มีเหตุให้เกิดเกิด ม, มันแล้วแต่มองเพราะว่าอย่างวิปัสสนาเนี่ยจะต้องมองทั้งสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายคือตัวมันเองเนี่ยมันก็มีเหตุเกิด<ม> อ, นนอันนี้ก็ธรรมดามแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ตัดชั้นราคาในสิ่งเหล่านี้นะ ไอสิ่งเหล่าเนี้ยมันจะเป็นเหตุของการเกิดในภพต่อไปถามว่าเป็นเหตุยังไงเพราะไอ้วัตถุอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทํากรรมใช่ยหมตัวคือถ้าเขามีในสมุทัยญาตก็หมายความว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นปัจจัยยุบันแต่ถ้าตัวนี้ก็เป็นสาเหตุให้ให้ให้างหน้าเกิดตัวนี้ก็เป็นปัจจัย แต่นีนตรงนี้เน้นมองในแง่ของปัจจุบันมากกว่าอมองในแง่ปัจจุบันนะมองในแง่ผลที่ที่เกิดจากเหตุในอดีตแต่ถ้าจะบอกว่าเออเนี่ยมันจะต้องเกิดใหม่เป็นธรรมดานี้ท่านนี้ก็แย่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องเกิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าจะไม่ไม่สันเสริญในการเกิดอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเป็นคำสอนลักษณะนี้เนะี่ย ก็ให้รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดเป็นธรรมดานั่นเองสมุทยัยนะแต่ในขณะเดียวกันก็เท่ากับเตือนด้วยเหมือนกันว่าถ้าไม่ตัดชั้นราคาในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดใหม่อีกอยู่ดีก็มาจากคําสังกิเลสอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสเป็นธรรมดาก็ได้ นะก็เหมือนสมมุติว่าถ้าเป็นผ้าเศร้าหมองเนี่ยเศร้ามองเพราะอะไรผ้าที่เศร้ามองก็เพราะว่าเหงื่อเป็นต้นเนี่ยนะมาแปะปนในผ้าก็ทําให้ผ้านั้นเศร้ามองชั้นใดก็ดีไอสิ่งเหล่านี้นะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ที่เศร้ามองก็เพราะกิเลสนั่นแหละทําให้เศร้ามองนะหนึ่งคือชัดเจนก็คือมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองนนเนี่ยนะสังกิเลสิกะธรรมเนี่ยนะธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองนั่นเอง จะว่าไปเนี่ยกิเลสมันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่รู้จะอาศัยอะไรเกิดอีกเหมือนกันใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่อาศัยให้กิเลสเกิดอยู่แล้วนก็โหฟังวิปัสสนาไปจนถึงอรหั ต, ตมรรมไปอย่างน้อยเนี่ยสิบในน่ผ่านอืะนั่น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 ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับกพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสิ่งทั้งปวงที่เป็นของไม่เที่ยงอะคืออะไรคือจักรสุรูปจักรสุวิญญาณจากักขูดสัมผัสเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูดสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของไม่เที่ยงจนถึงทวารใจก็เหมือนกันนะ ทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารใจเนี่ยทุกอย่างก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้เห็นทุกอย่างโดยความเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดนะนัทั้งภายในทั้งภายนอกอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อน่าใช่ไหมนี่ก็เบื่อน่ายก็ตามสูตรก็บรรลุ อ, อีกกันนะข้อสี่ิเจ็บอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เดี๋ยนะีก็สาสิบธรรมสามสิบหมวดข้อนั่นแหละเป็นตัวทุกข์แหะเป็นอนัตตา แล้วก็ข้อ49เขบอกว่าสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งก็อภิญญานั่นเองนะเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งสิ่งทั้งปวงควรกําหนดรู้ก็คือปริญญาสิ่งทั้งปวงเนี่ยควรละคือปหาตถาภะเนี่ยนะควรละสิ่งทั้งปวงควรทําให้แจ้งก็คือสัจชิกาตถาภะนะสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกําหนดรู้ก็คืออภินญา <diesem? S 2> แล้วก็ปริญญาเนี่ยนะอภิญยาแล้วปริญญานี่เท่ากับเน้นพิเศษนะนี เน้นเอาข้อ49ข้อ50มาใกล้ๆกัน <c oughs> คือชี้ชัดนะนะคือธรรมะเหล่านี้เนะี่ยอย่าไปคิดว่าเทศปีเดียวกันนะอาจจะเทศ เ, เช่นพรรษาที่20นะนะอีกสองปีมาเทศใหม่อีกสามปีเทศอีกคนแล้วแต่ว่ากลุ่มผ้า อ, อนอนท์เป็นต้นนะธรรมะกลุ่มเดียวกันท่านมาจัดให้มันเข้าระบบดูง่ายจำง่ายเรียนง่ายท่องง่ายท่านเนียง แต่จริงๆแล้วภิกษุคนละกลุ่มคนละชุดแสดงคนละปีด้วยเลยเนี่ยนะเพราะว่าพระผู้มีประภาพประทับจำพรรษาอยู่ที่เชตวันเนี่ยนะเฉพาะเชตวันเนี่ยรับตั้งแต่พรรษาสองอ่พรรษาพรรษาสองเนี่ยรับวัดเชตวันมันก็พระ อ, องค์เนี่ยอยู่ในเมืองสาวัตถีเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าปีเนี่ยนะอัน สี่กว่าปีนี่ก็ตลอดระยะเวลาสิ40ี่ิกว่าปีนี่ก็ธรรมะที่แสดงไว้กลุ่มไหนที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะพระอานนท์เป็นต้นท่านก็มาจัดให้มันระเบียบเข้าใกล้ๆกันนี่ของเราฟังไม่รู้หรือว่าศึกษาไม่เข้าใจก็เลยโอ้โหทำไมแบบเหมือนๆกันไปหมดเลยอะไรจริงแล้วไม่ใช่นะหรือถึงเหมือนกันนะนะแต่ว่าสมัยพุทธกาลก็มีผลต่อผู้ฟังใช่ไหมสมัยนี้ก็มีผลเหมือนกันผลก็คือซ้าําๆอ่านแล้วเบื่อ ถนกันคนละอยางเบื่อเหมือนกันนะก็ได้อันนี้สองเบื่อเหมือนกันสมัยนั้นก็เบื่อแล้วก็บรรลุคนยุคนี้โดยมากเบื่อแล้วก็เลิอกอ่านนนี้ก็เบื่อคนละอยา่างมีผู้การแล้วที่ไม่ค่อยเบื่อเนี่ยสลายยตนาวัตรรู้ไหมข้อที่จริงนะี่ยจริงถ้าเราอา่านถ้าเราอา่านพันๆไปนะก็ดูดูแล้วก็ซ้าๆดูกรพิสุทธิทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นทุกนี้นะ ถ้าเรามาแยกดูในสิงทั้งพทั้งสาสิเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยนะบางทีเรานึกไม่ค่อยออกหรือว่าบางทีมันมันเป็นทุกข์ที่ที่เห็นยากก็มีเห็นง่ายจะมีก็ทุกข์ในคำว่าทุกข์เนี่ยก็เอาทุกข์สามอย่างมาจับบางอย่างเป็นสังขารทุกข์บางอย่างเป็นอ่าบางอย่างเป็นทุกขะทุกบางอย่างเป็นสังขารทุกข์บางอย่างเป็นวิปริณามทุกข์อันคำว่าทุกข์เนี่ยก็ต้องเอาทุกข์สามอย่างมาจับ หรือบางอย่างก็เป็นปฏิจจชนะทุกข์บางอย่างก็เป็นอัปปติจจชนทุกข์เนี่ยนะือมีเรื่องให้คิดเยอะเพราะว่าคำว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีทั้งนามมานามมาทำบางตัวเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเอามาทำเป็นเห็นยาไม่ค่อยเอามาคิดก็เลยดูเออมันก็สิ่งทั้งหลายจบแล้วไม่ค่อยละเอียดลงไป ถ้าผู้ที่ศึกษาคำพีในระบบเนติปกรณ์เป็นตัวเนี่ยแค่ฟังคำเดียวปั๊บเนี่ยมันหูมันคิดได้กว้างขวางเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าท่าในในใ น, ในวรกเดียวกันนะเช่นข้อสี่สิบหกกับข้อห้าสิบห้าเนี่ยท่านจะให้เห็นพยัญชนะที่ที่จะต้องให้มาคิดกว้างขวางแบบนี้นะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไปก็รู้เท่านี้ก็พอซึ่งให้มีการแยก แต่ถ้าเป็นสูตรก่อนก่อนจะบอกแม้อดีตด้วยนะแม่อนาคตด้วยแม้ปัจจุบันด้วยบางสูตรก็แม้ภายในด้วยแม้ภายนอกก็ต้องมีเรื่องให้ใครควรเต้นไปหมดเลยเนี่ยเควจริงถ้าเราถนัดจริงๆนะหรือว่าเอาไปเอาไปเพ่งจริงๆเนี่ยเท่า น, นี้ก็เรียกว่าก็เพียงพอแล้วที่จะพ้นทุกอว่างนั้นเอนะเพียงพอแล้วที่จะตัดตันหานะคูนห้าไง ตานับ1สีนับ2จงจะขูวิญญาณ น, นับ3ผัพษนับ4เวทนานับ5ก็เป็น5ทวารอื่นๆก็เหมือนกันนัยะเดียวกันแล้วก็พอมาสูตรเอ่อข้อที่54กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่่วุ่นวายอันนี้ที่เรียกว่าอุป อ, อุปปัุตตะเนี่ยนะแปลว่าบางแห่งก็บอกว่าวุ่นวายบางแห่งก็แปลว่ามากมาย ที่มันวุ่นวายมากมายเนี่ยคือนี่แหละวิธีสังเกตว่าบาลีมาจากอะไรนะสังเกตมาจากไหนสังเกตจากท้ายวร์ะจะมีชื่อสูตรเป็นภาษาบาลีให้ไปสังเกตจากจำมาจากชื่อสูตรตรงนั้นเอาว่าบาลีเนี่ยเขาจะมาจากศัพท์อะไรเดิมมาจากบาลีนะไปดูจากชื่อสูตรก็จะเห็นก็จะเห็นเป็นภาษาบาลีนะถ้าใครต้องการรู้ภาษาบาลีานะสิ่งทั้งปวงวุ่นวายก็มาจากบาลีว่าโอ ป, ปะทุตะนะ อัตถกถาท่านแปลว่ามากมายอุปัฏฐุตะเนี่ยนะอุปัฏฐุตังเนี่ยนะแปลว่ามากมายอัตถกะถาท่านแปลว่ามากมายบาลีแปลว่าวุ่นวายก็ชอบวุ่นวายมากกับมากมายอ่ะนี่ะแต่ถามว่าก็ก็อยู่ในบาลีนะบาลีว่าอุปัฏฐุตตะ แสดงว่าบางคนเนี่ยฟังคําแบบนี้แล้วศรัทธานะคือฟังคําว่าไม่เที่ยงนี่ไม่ซึ้งหรอกพอฟังคํานี้แล้วปุ๊บหมมันวุ่นวายจริงๆเลยนะดีนะท่านแมบบ่บอกสิ่งนั้งมันน่ารําคาญเหมือนกันเนี่นยวุ่นวายนา ะ, ะอีกสูตรหนึ่งนะบอกว่าดูความภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนี่ขัดข้องอันนี้ก็มาจากบาลีว่าอุปัสสะสูตรเนี่ยนะอุปัสสะก็แปลว่ามัน มันขัดข้องอะนะมันถูกกระทบกระทั่งอ่ะมันสะเทือนเรื่อยอะมันนั่นแหละมันขัดข้องนี่หมายถึงว่าทวาขัดข้องหรือว่าเฉพาะมันขัดข้องไปหมดนั่นแหละครับเอาถ้ทว่าอาโดยรวมๆนะเนี่ยคือชีวิตเนี่ยถามว่ามันขัดข้องหรือว่ามันสะดวกสบายเอาว่าเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันขัดข้องหรือมันวุ่นวายก็ขัดข้องมันส่วนใหญ่นะ แต่ก็ตอนไหนที่มันไม่ขัดข้องก็คือตอนที่ตอนนั้นลืมไปแต่ว่าไปรวมๆแล้วมันขัดข้องหมดแหละขนาดตาจะดูยังซื้อบัตร ด, ดูเลยคิดตัวขัดข้องขนาดไหนมีี<ผ>มมาาาาถึงว่่ขนดทอ ก, ก็ ทั้งกุศลเนี่ยนะการเจริญกุศลก็เพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ตัดฉันนราคาในสิ่งเหล่านี้ก็ชื่อว่าขัดข้องอีกอยู่ดีถ้ายังออกไม่ได้จริงก็ชื่อว่าขัดข้องผมไปธนาคารวันนี้ไปเห็นพนักงานเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยดูดีนะพนักงานก็นัง่งทำงานชันน่่นผมมันนึกดูนะพวกนี้ต้องมาตรงเวลาเลยนะแล้ว แล้วก็เลตรงเวลาเนี่นะเพราะว่าคนมาจอดมันไม่ได้ใช่ไหมเนะี่ยดูเขาคือก็ดีมีเกียรติทำงานมีหนะ้ามีตามีหลักฐานใจ ด, ดีนะแต่อย่าลืมว่าในขณะที่เขาทาเนี่ยนะพลาดไม่ได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราดูข้อความเคร่งเครียดนะเรการงานเนี่ยเราดูใบออกนะแต่เรากเกี่ยวกับเรื่องการเรงินการทองเขาพลาดไม่ได้แนมะ้แต่นิดเดียวนะตัวเลขอะไรจะอะไรทั้งหมดนีนะ่พลาดไม่ได้เลยนะถามว่ามันขัดข้องไหมอุปสรรคหรือเ่าไห พลาดไม่ได้นะถ้ามีเรื่องนะก็อย่างคนขับรถเนี่ยนะพลาดได้ไหมล่ะเรื่ดูแลองคมันมันขัดข้องหรือไม่ขัดข้องนะขับรถนี่ก็ขัดข้อง <c oughs> โดยที่สุดนะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันยังสำลักน้ำลายเลยนะมันยังขัดข้องเลยใครใครไม่เคยสำลักน้ำลายบ้าง <c oughs> ไม่มีนะในนี้ของมายังเคยเลยะ <c oughs> กลืนไปกลืนมามนสำลักน้ำลายมยังยุ่งเหมือนกันอันนั้นมันวุ่นวายไปหมดเลยนะ ไปมามาเอ็มชักจะหายใจไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยนะขัดคล้องไม่หมดเลยนะบางทีนะสามารถว่าคอนะอยู่ๆแล้วมันขัดคล้องมันเอียงไม่ได้ข้อนั้นหันก็ไม่ออกอีกแล้นะโอ้ยมันขัดไปหมดอ่ะก็คิดดูเหอะมันส่วนไหนมั่งที่มันไม่ขัดอ่ะเนะขนาดอย่างอื่นมันไม่ขัดมันยังขัดใจเลยใช่ไหมร้อนเกินไปก็ขัดใจหนาวเกินไปก็ขัดใจแล้เดือดร้อนหมดแล้ว ก็ขัดข้องเห็นไะนะคือเอาว่าจะอะไรก็ช่างแต่ครับมันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ขัดข้องเหมือนอะไรเหมือนกับว่าเออมันมีน้ําพึ่งอยู่หยดหนึ่งอะนะอยู่บนปลายหนามอย่างเงี้ยนะถามว่ามันหวานไหมน้ําพึง่งหวานถ้าดื่มเลยนะนะเอาลิ้นไปเลียแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอนะนะไอความหวานอันนั้นอบาดลิ้นได้สองแฉกมาเลยพอดีนะมั้นก็ไอความหวานอันนั้นก็ถือว่าเป็นความหวานที่อยู่บน บนโทษเนี่ยนะหรือท่านบอกว่าอุปมาเหมือนกับว่าน้ำหวานที่ผสมยาพิษเนี่ยนะถ้ามานสิการในความหวานมันก็ดีอ่ะแต่ว่าหลังจากหวานนะ่ะสมมติว่าความสุขหรือสุขเวทนาทั่วๆไปนะก่อนหน้าสุขเกิดอะไรเกิดก็ทุกเกิดใช่ไหมหลังจากสุขเกิดอะไรที่เกิดอีกก็ทุกอีกเกิดอีกน่นะเพราะฉะนั้นสุขแหมมันนิดเดียวเองอะนะจึงไม่น่าไปชื่นชม มูทิตาเพลิดเพลินอะไรกับมันนะเพราะว่โอ้โหฉันทานอาหารนี่อร่อยมากอ่ะนะกว่าจะมาอร่อยเนี่ยนะผมว่าทางเกสดาเนี่ยปรุงเวลานานเท่าไหร่ก็่าจะมาปรุงเสร็จอ่ะนะมันนั่งอร่อยอยู่ไม่กี่คําอ่ะนะอาจจะอร่อยสักยี่สิบคำอ่ะนะถ้าสักคําที่ห้าหกสิบไปแล้วเนี่ยนะชักเดือดร้อนนะหน่อยน้อยเกินไปอีกก็เดือดร้อนมากเกินไปอีกก็เดือดร้อนนะนะหลังจากนั้นเถอะบริหารทองบริหารลำไส้เดือดร้อนห้องน้ําไปอีก น้ำไม่ไหลในห้องน้ำกว่าเดือดร้อนก็เปรกแ้นู่นวายไปหมดเลยออาหารนี่นะอร่อยอยู่นิดเดียวนะอยู่ไม่กี่คำแรกนั้นแหละพ่อบ้านไม่ชมเนละอาหารไม่อร่อยนะี่นะไม่สนุกอีกเหมือนกันแดงว่าพอบ้านนี่ก็ <c oughs> ยังไงยังไงก็จะให้แบบ แบบโยมก็เล่านะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันต้องหลอ ก, กอ่ะนะเขาจึงกระชอบกับว่างั้น <laughs> ผมเห็นมันแล้วครับคือว่า อ, อผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะทําอาหารเนี่ยนะถ้าทําเองอ่ะต <laughs> ้องชมแน่นอนนะ <laughs> ผู้ที่ทําเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้รับคำชมเลยก <laughs> ็อย่างว่านะก็ะที่ก็มีเรื่องฝรั่งกลุมหนึ่งนะ ก็มีลูกเขยกับลูกสาวไปอยู่ที่อื่นไกลใช่ไหมปีเองจะมาเยี่ยมแม่ยายทุกปีเลยนะแม่ยายก็ทําฟักทองไว้เลี้ยงลูกเขยไอ้ลูกเขยปกติมันก็ไม่ชอบอันนี้เท่าไหร่นะแต่ก็เห็นใจแม่ยายอะ่ะก็ชมแม่ยายโอ้โหอร่อยมากนะแหมลูกเขยชอบปีหลังทําอีกปีหลังก็ทําอีกนะสมมติ ถ, ถ้าทําอย่างงี้สักนะสิปีอ่ะนะเสร็จแล้วบอกว่าตอนหลังรู้ว่าไอ้ที่ แบบฝืนใจกินมาตั้งติดปีเนี่ยนะแม่ยาจะคิดยังไงอนยะ่างนีชอบไหมจังค์ยังต่อ น, นี่ชอบไหมตอดี3สามคนไม่มีลูกเขยนะแต่เป็นอย่างเงี้ยนะดิชอบไหมยอย่างเงี้ย น, นะบอกว่าถูกหลอกมาตั้งสิบปีเลยนะเดือดร้อนแน่นะเพราะฉะนั้นไอ้คำหลอกหลอเน่นะใหม่ๆมันก็หวานดีอยูหรอกแต่ว่านานๆจริงๆก็ไม่ดีอะไรอย่างนีน นนะใครไม่ขัดข้องก็บริหารต่อไปแล้วมันจะค่อยๆขัดให้ดูเองอ่ะนะถ้าสังเกตอ่ะเนะโดยที่สุดนะเปลือกตาเนี่ยมันไม่ได้มีน้ําหนักอะไรมากเท่าไหร่นะแต่เหลือดหลับตาลืมตาจะใช้มันยังขัดเลยอ่ะนะลืมตาเนี่ยหลับต า, อบตาเอาเดี๋ยวน้ําน้ําตามไม่ค่อยมีอ่ะนะมันฝืดหน้าดูอ่ะนะมันขัดะดื่มมันจะลืมตาไม่ขึ้นถึงเหมือนกันนะ่ะลืมแล้วก็แสบตาไปหมดเลยอันนะัใครไม่เป็นนี่ก็มีบุญมากนะนโมทนาด้วย แต่ว่ายังไงตามก็ตายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าสูตรก่อนๆว่าไงนะแก่ธรรมดาป่วยเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาโศกเป็นธรรมดาสิ้นตายเสื่อมตาเกิดเป็นธรรมดาดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมันจะต้องเข้าไอ้ข้อใดข้อหนึ่งอีกจนได้แะถ้าถ้าเจริญพิจารณาจริงๆอันสรุปว่าจบแสดงจบที่บรรลุอรหันต์ไป20สูตรวันี้ฟังไปแล้วยี่สิบสูตรอะไร ถ้าแต่ละสูตรเนี่ยถ้าไปไข้ครวญอย่างพิสดารเนี่ยนะพิสดารทั้งยี่สบสูตรเนี่ยใช้เวลาเจริญอย่างน้อยยีสองชั่วโม ง, นะงเนี่ยนะทั้งยี่สิบูตรนะถ้าไข้ครวญทุกๆพยัญชนะแล้วมาไข้เอามาพิจารณาจริงๆนะให้เห็นโทษตามที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นหลายๆชั่วโมงอลยนะทีนี้ก็แต่ท่านเรียงสูตรไว้นามลำดับตีนะบอกถ้าไม่เจริญอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนีย่ยนะจะเป็นคําชมคําตําหนิก็อยู่ สูตต่อไปแล้วว่าครั้งนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงละวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุ บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจากสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้น น, นะถ้ามองในยะตรงกันข้ามอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าเห็นว่าเที่ยงเป็นยังไงวิชาก็ลดลงอวิชาก็เจริญขึ้นนะ